รักสังขารแม้จิตจะอาศัยอยู่ในกายก็จริงแต่หาได้เป็นใหญ่เป็นเจ้าของกายไม่ย่อมไม่สามารถที่จะบังคับบัญชากายให้เป็นไปในอำนาจของตนได้ไม่ว่าจิตนั้นจะส่งไว้ซึ่งคุณวิเศษอันสูงส่งถึงขั้นอรหันต์ก็ตามกายสังขารของนล ป, ปูกก็เช่นกันด้วยเมื่อวันที่หกกุมภาพันธ์ 2,536 หลวงปู่ได้ไปร่วมงานทำบุญร้อยวันหลวงพ่อราชพมยานวัดท่าสุง่งอุทัยธานีหลังจากกลับถึงวัดแล้วประมาณตีหนึ่งหลวงปู่มีอาการป่วยกระทันหันเส้นโลหิตในสมองด้านซ้ายอุดตันพระครูโสพลจารุวัฒน์ได้นำสงโรงพยาบาลสิงห์บุรี นายแพทย์วิสิตถนัดสร้างได้นำหลวงปู่เข้าเอ็กซเรยคอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลหมอประเจอิอพบว่าสมองซีกซ้ายฟอเส้นเลืออุดตันปอดอักเสบหลวงปู่มีอาการหอบมากเสมหะตกค้างในปอดมากแพทย์ตัดสินใจใส่ท่อช่วยหายใจทางปากก้าวคุมภาพพันธ์ 2,536 สมเด็จพระเทพรัตนราชชุดาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวรับหลวงปู่เข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชุปธรรมคณะแพทย์สิงห์บุรีจิงได้นำหลวงปูู่่วโรวงพยาบาลสิริราชนาหกไอซี U, โดยมีนายแพทย์วัฒนาะทิตดิลก เป็นผู้ติดต่ออำนวยความสะดวกและมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทามาราเนธเป็นแพทย์เจ้าของไข้11กุมภา2536หลวงปู่ได้รับการรักษาย่้องอภิบาลการหายใจ r c u ตึกอัสดางชั้น2หลวงปู่อาการดีขึ้นตามลำดับหายใจได้เอง 14รกรกฎาคม2536ิจึงได้ย้ายไปที่ห้องพิเศษตึก8ปีปีห้อง808แไป อ, อยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลประจำตึกมีพระอุปถาคอยู่ประจำสองรูป26พฤศจิกายน2536โหรยาบลวงภูปป่ มีการจุดลงมีอาการหอบและไอแพทย์ได้นําเสมหะแต่เพาะเชือ้อปรากฏว่าหลงปู่ติดเชื้ออย่างแรง2ธันวาคม2536แพท ย, ย์ใหญ่หลวงปู่กลับไปที่ห้อง ICU อีกครั้งแต่อาการไม่ดีขึ้น11ม ก, กราคม2 5 0 0 37ช่วงกลางคืนอาการหลงปู่สุดวิสัยขณะแพทย์ใเยยวยารักษาได้ตอนเช้าส2องมกราคม2 5งพันห้าาหน้าหลงปู่ดสดใสเปล่งปลั่งสดชื่นผิวพรรณวันะผ่องใสามากเป็นพิเศษผิด ธ, ธรรมดา ทั้งๆ ท, ที่อาการป่วยหนักยังทรงอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างช่วงบ่ายฝนเริ่มตกโปรยปลายบริเวณโรงพยาบาลศิริราชประหนึ่งดังว่านาง พ, พุทธมนต์อมริตอันสักสิเป็นที่อัศจรรย์ใจเป็นนิมิตหมายบอกให้ทราบว่าอีกไม่ช้านี้หนอพระคุณหลวงปู่ ผู้เป็นดวงประอทีต ท, ที่เคารพสกการะบูชายิ่งของปวงสิทธิ์ศาสนิกระนมวลมนุษยชาติที่ใฝ่ธรรมกำลังจรละกายสังขารแน่นอนและแล้วนุกปุกก็ค่อยผ่อนลมหายใจช้าลงเป็นลำดับจนหยุดสงบนิ่งเมื่อเวลา 19นาฬิกาสนาทีแม้ว่าขณะที่ร่างกายหลวงปู่อาพาธต้องสวยทุกขเวทนาอยู่ก็เป็นแต่เฉพาะทางกายเท่านั้นหารได้สวยทุกขเวทนาอันเป็นไปทางจิตไม่เพราะสิ้นชาติแล้วถึงมาดว่ากายจะทุกขเวทนามากน้อยประการใดทุกขเวทนา ที่กำลังเสวอยู่นั้นย่อมมีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนิดทุกเวทนาจิตแม้สักนิดหนึ่งจึงไม่ได้บังเกิดขึ้นกับหลวงปู่เลยสรีระหลวงปู่สงบเงียบและสูญสิ้นที่สุดในโลกไม่มีการกลับมาเกิดได้รับความทุกข์ทรมานในวัฏสงสาร มันเป็นห่วงมหันตภัยที่ยาวนานจนไม่รู้ที่สิ้นสุดอีกต่อไปตลอดกาลประวัติศาสิร์สรรวมอายุหนึ 73, ่งหนึ่งปีเจ็ดวันเจสสามพรรษาวาชะหลวงปู่ รัชการที่หกนี่แผนที่เขาจะแบ่งกันอยู่แล้วให้อังกฤษเอาทางตอตอให้หมดไปจนถึงเชียงตุงฝรั่งเศสก็เอาทางตะออททางขเขมรทางแควลาวทางเวียดนามไปจบเชียงตุงโน่นเลยไม่ได้เพราะรัเสเซียและอเมริกาขวางคอไว้ไม่ให้ทาทําลายเมืองไทยไม่ได้เป็นบาก เขาว่าอย่างนั้นไทยไม่ได้ไปแกล้งใครนี่แต่คนอื่นมาแกล้งเราเขมียนมาแกล้งบ้างหมอนมาแกล้งบ้างพม่ามาแกล้งบ้างแกล้งกันทําลายเมืองโบราณของไทยไทยไม่ได้ตอบแทนใครเลยไม่ได้ทําความตอบเขาด่าไม่ด่าตอบเขาตีไม่ตีตอบเขามาทําลายเมืองเราไม่ได้ เราไม่ตอบแทนบรอกศาสนาพุทธฆนะ่าสัตว์ไม่ได้ศาสนาอื่นเขาฆ่าสัตว์ได้ตอนเป็นทหารยามยืนสองชั่วโมงศรษหารที่แหลมอินโดจีนเก็บมาได้261อกบเอีกเอาไปไว้บนศาลาวัดราชาตุว่าดไปยืนยามผู้ยามกิติยศ ศรทหารเกยียติยศนั้นของพระเจ้าแผ่นดินใครดูหมิ่นไ่ได้ใส่ลงไปในหีบก็ไปดูหมิ่นไม่ได้หรอกไปยืนยามก็ท่าตรงยืนคู่ผัดเชิญงูยักษ์วันหนึ่งขณะทำกรรมฐานใหม่ๆท่านก็ได้กลิ่นแปลกปลอมเป็นกลิ่นสับสาบ แ, แปลกๆที่จะเหลือมตาดูแต่เกรง เห็นสิ่งที่น่ากลัวเหงื่อแตกชุ่มไปหมดตั้งสติอยู่นานจนจิตเริ่มสงบลงบ้างหลวงปุกคิดว่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เมื่อจะได้เห็นทำไมกลับจะกลัวอะไรเล่าเอาเถอะถ้าจะตายถึงไม่ลืมตาดูก็ต้องตายเหมือนกันหนีไม่พ้นแน่ทํามแคบๆอย่าง น, นี้ถึงหลับตาก็วุ่นวายใจสู้ดูให้รู้แก่ตา เคิดแล้วจึงลืมตาดูภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้หลวงปู่นั่งตัวแข็งตะลึงอยู่กับที่นั่นคืองูใหญ่ตัวยาวหลายวาหัวขนาดเกือบเท่าลูกมะพร้าวในตาแดงฉานแลบลิ้นแปลกๆจูบคอเจ้าอยู่เบื้องหน้าของท่านห่างวาเดียวท่านนั่งนิ่ง ด้วยความคาดไม่ถึงจิตของท่านกำลังพิจารณาหาเหตุผลอยู่กลัน้นรึกถึงคุณอำนาจบา ร, รมีของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณแล้วหลับตายอมอุทิศเลือดเนื้อและกายนี้จนงูร้ายจิตจึงคลายวานไม่ห่วงใยในชีวิตและสังขารต่อไป ชั่วขณะหนึ่งด้วยจิตใจออนมั่นคงต่อองค์พระบรมศาสดาช่วยให้ท่านรอดพ้นจากภัยอันตรายได้บัววิ่งชนครั้งหนึ่งหลวงปู่รักกิจนิมนต์จากชาวบ้านเพชรบุรีพร้อมพระอาจารย์เหลงหรวมสองรูปถึงบริเวณหน้าบ้านเจ้าภาพหลวงปู่ก็ร้องบอกให้เจ้าของบ้าน ผวัวที่เลี้ยงอยู่เสียก่อนเจ้าของบ้านร้องนิ่มนให้หลวงปู่และพระอาจารย์เข้ามาเถิดให้เป็นไรบร์ล์หลงปู่และพระอาจารย์เหลงจึงเดินเข้าไปในบ้านทันใดนั้นเองเจ้าหัวบ้านก็สวงวิญญาณวัวป่าทันทีก้มหัวหายใจพื้นวานคล้ายคล้ายวัวกระทิงดุเมืองสเปนใช้เท้าหน้าตะกุยดิน แล้ววิ่งเข้าชนพระเถระทั้งสองทันทีพระอาจารย์เหลงฉันเกิดเห็นหลวงปู่ไม่หนีจึงรีบสืบเทา้าเข้าประกบหลวงปู่คิดอุทิศชีวิตถวายหลวงปู่แต่ด้วยพลังบา ร, รมีของหลวงปู่ปัวตัวนั้นหยุดพึกลงทันทีหยุดขาทั้งสี่ถูกตึงไว้ที่โซ่ตัวเหล็กอย่างกระทันหันห่างจากหลวงปู่สองศอก ขาทั้งสี่สั่นเพราะหยุดอย่างแรงฝุ่นที่ขาทั้งสี่พุ่งกระจายให้ที่อัศจรรย์ใจว่ามันหยุดได้ยังไงท่านใดนั้นเจ้าของวัวก็ได้สติรีบนำวัวไปผูกเหตุการณ์นี้เป็นที่ร่ำลือไปทั่วในพลังอำนาจจิตของหลวงปู่ที่หยุดวัวตัวนั้นได้จิตพวงใหญ่ สามีบ่วงภรรยามากเพราะขาดใจตายก็เข้าท้องภรรยาอีกเออตายในมุง้งมันจะไปเกิดที่ไหนอีกละ่ะตายในมุง้งมันก็เกิดในมุ้งนั่นแหละเขาก็คอยดูว่าเมียท้องจริงไหมละ่ะสามเดือนเขาก็รู้มีท้องแต่วันนั้นเขาก็ครบสามเดือนครบสิบเดือน ให้คลอดสิบก่อนลอดมามันยังพูดไม่ได้พอพูดได้เรียกแม่เมื่อไหร่เรียกเมียเสียํำเขาบอกว่าเฮ้ย hey, มึงกินนมเขาจะเรียกเมียยังไง ร, ร่างเป็นเมียแต่นมเป็นแ ม, แม่เอาสิปฏิภานดีหยอกเมื่อไหรล่ล่ะนมเนีย่ยเป็นแม่เลี้ยงมันอยู่มันกินนมอยู่ทุกวันนะ ร่างกายมันเป็นเมียเก่าไม่ใช่เมียใหม่นี่เมียเก่าทางหากหลักมันจำได้นี่โอ้กฎหมายเลยปรับมันไม่ได้จะว่าไงมันเกิดมาเป็นพยานให้แม่พ้นคดีได้คนนึกว่าภรรยาฆ่าผัวผัวแก่ไม่ได้ถูกฆ่าตายเองต่างหากคนอื่นเขาคิกว่าภรรยาฆ่าผัว ลูกมีปัญญาพ่อถามลูกว่าต้นหัวเข้าปูงหมดหรื อ, อยังยองเหลือตัวเดียวครับพ่อพ่อหาไม่เรียวจะเคียนลูกพระโมโหลูกบอกว่าวัวเขียนอยู่แล้วมันหายจะว่าไงละ่ะไปหามันสิพ่อทึงไม่เรียววิ่งอาวเข้าป่าต้นวัวเข้าปูงได้แล้วยังตัดไม่เรียวจะมาเคียนอี เกลียดทำไมล่ะพ่อก็มันไม่หายเกลียดแล้วมันได้อีกตัวหรือเปล่าล่ะพ่อติ้งไม่เร็วเลยยอมแพ้ลูกเออเกลียดยังไงกันนี่เกลียดไม่มีเหตุผลสู้ลูกไม่ได้นี่หายไปก็จะเกลียดได้มาแล้วก็จะเกลียดอีกอรหันของลูกอุปการีของชน ก, กรรม พระพุทธเจ้าเคยสอนอุบาสิกาบางคนเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าชังให้เอาไว้สองสำรับให้พระที่บ้านยังมีอีกสองรูปอุบาสิกากลับไปบ้านไม่เห็นมีพระไม่เห็นพระเหลืองที่บ้านวางหากแล้วยึ่งกระหอบกระหืดไปหาพระพุทธเจ้าอีกนางบอกว่าพระไม่มีเจ้าค่ะเอา้าใครอยู่บ้าน มีบ้างไหมนีแต่บิดามารดาเจ้าค่ะนั่นแหละพระบิดาพระมารดาพระของลูกสาวลูกชายพระโสดาในบ้านมีพระอระหันต์ในเรือนอยังมีไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธเจา้าพระสาวกบิดามารดาเป็นพระประจำชีวิตของลูกสาวลูกชายอย่าหากสำรับกับข้าว ข้ามพระสองรูปที่บ้านนะอย่าลืมนะอุจฉาทิสัชนาคนเหานี่อะไรเป็นใหญ่อุตฉาฉันถามหลวงปู่ว่าคนเหล่านี่อะไรเป็นใหญ่ครับทิสัชนาเอา้าก็พวกเองมานี่ ตูดผู้เองละสิเป็นใหญ่รถชั้นหนึ่งก็ตูดนั่งรถชั้นสองก็ตูดนั่งถ้าไม่เอาตูดนั่งจะเอาอะไรนั่งหละ่ะพนุง่งพื้นร้อยสองร้อยก็ซื้อมาให้ตูดนั่งเอาใจนุ่งเมื่อไหร่ล่ะเรือบินสูงเท่าไหร่ก็ขึ้นไปนั่งได้ถ้าตัดตูดออกแล้วจะนั่งได้ไหมละ่ะปุจฉา เจ้าคณะตำบลถามนุ้ปู่ว่าถ้าไม่เอาตุดนั่งเอาหัวนั่งไม่ได้หรือครับที่สัตชนะนั่งได้แต่ไม่ใช่เหมือนคนนะคนต้องมีตุดนั่งมันถึงสบายนั่งด้วยหัวมันก็หอยสี่นอนท้องนามีถมไปเจ้าคณะตำบลเงียบเลยตอบได้ทุกอย่าง นักถามหลวงปู่ตอบคำถามได้หมดทุกอย่างนะมครับหลวงปู่ตอบได้หมดสินักถามขอถามว่าปู่พระพุทธเจ้าอายุเท่าไรครับหลวงปู่ไม่รู้นักถามเอา้าในหลวงปู่บอกว่าตอบได้หมดนี่ครับหลวงปู่ก็ตอบไปแล้วว่างไงไม่รู้คนตายสิมันตอบไม่ได้ นอนเฉยอยู่ตอบได้ไงอันนี้ตอบได้คนเป็นตอบได้ตอบไปแล้วว่าไม่รู้ไงปุชชาลูก ป, ปู่คะแม่หนูไปรักผัวใหม่หนูเปลียดแม่มากคะ่ะนิสัชนาแม่ไปมีผัวใหม่ก็เรื่องของเขาสิให้เอาส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราสิที่เขาอุ้มท้องเรามาเก้าเดือนเรา ตอบแทนบุญคุณได้คุ้มค่าหรือเปล่าละ่ะปุดฉาหลวงปู่เพิ่งกลับจากทุดงมีของดีอะไรมาฝากผมบ้างไหมครับวิสัชนาก็ได้ธรรมะมาฝากตั้งไงละ่ะปุดฉาหลวงปู่คะหนูเกลียดเกลียดคนที่ชอบทะเลาะวิวาทกาันวิสัชนาจะไปเอาเรื่องของคนอื่นของเขาทําไมละ่ะเรื่องของเรา ก็มีอยู่ที่กายกับจิตเราเท่านั้นแหละแก่ที่ตัวเราสิคนอื่นก็ให้เขาแก้ของเขาเองสิเมืองไกลเมืองมันบ้านใครใอยู่ปู่ใครใครนอนไม่ก้าวไกลกันหรอกปุจฉารั้ลงปุ่ครับพระสุบุรีเป็นพระอาหารหันต์ได้ไหมครับวิชาชนาเป็นหรือไม่เป็น มันไม่ใช่คนถามคนบอกหลอกมันจะเป็นของมันเองมันจะไม่เป็นก็ไม่เป็นของมันเองต่างหากหลักอริยมรกสีอริยผลสีมันบอกเองคนบอกได้หรือของใครของมันต่างหากหละัะปุฉาวัตถุมงคลต่างๆเก็บไว้ น, นานๆเพเสื่อมไหมครับหลวงปู่วิสัชนาของไม่เสื่อมหรอก นอกจากเราจะเสื่อมศรัทธาจัดของเองปวดฉาน้องปุกครับเรื่องเหล็กไหลมีจริงไหมครับวิสัชนามีจริงสิไปดูที่หัวลาโพงสิมันไหลขึ้นไละลงอยู่ทุกวันไละไปเหนือสุดใต้สุดและบนฟ้ามันก็มีให้ดูอยู่แล้วมีเยอะแยะหมด ปุตชารหลวงปูค่คะทำอย่างไรพ่อแม่ถึงอนุญาตให้อยู่วัดค่ะวิสัชนาก็ชวนให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาปฏิบัติธรรมด้วยสิถ้าท่านทั้งสองเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของธรรมะท่านจะสนับสนุนอนุญาตเร็วขึ้นปุตชาลูกขอเกาะชายทีวอหลวงปู่ไปนิพพานด้วยควนนะเจ้าคะวิสัชนา ขี่เยี่ยวแทนก็ได้หรือเปล่าล่ะปุจฉาลุงปู่อยู่วัดอะไรครับวิสัชนาอยู่วัดสองขาอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นวัดปุจฉาลุงพ่อสงฆ์ท่านตาบอดแล้วยังเท่ได้หรือครับวิสัชนาท่านตาบอดแต่ตาแต่ธรรมะท่านไม่บอดนี่ ปุตชาร์หลวงปู่คะเมื่อไหร่ลูกจะมาอยู่วัดได้คะวิสัชนาหมดโปรดแล้วอยู่วัดดีนะปุจฉา์คนเราเกิดมาเพื่ออะไรคะหลวงปู่วิสัชนาเกิดมาเพื่อดับกิเลสตนเองสิเกิดมาทำไ ม, ไมต้องวนเวียนเกิดแล้วตายไม่สิ้นสุดจะเอาอีกหรือเกิดบ่อย ตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆสนุกหรือถ้าไม่พ้นเกิดไม่พ้นตายแล้วจะมาเกิดทาไมขุนชา้าทาไมตปูกกราบพระบ่อยๆครับวิสัชนากราบพระพุทธรูปนั่นแหละเป็นขึ้นมากราบสามครั้งแล้วผมผ้าแล้วก็ไปอุ้มบาตรกรับมาก็กราบสักก่อนเวลาฉันก็กราบอีก ทำวัดช้าวัดเย็นแล้วก็กลับทีนี้จิตก็เชื่องสิมันก็ไม่ไปที่อื่นสิมีงานให้มันทำมันก็ทำไม่มีงานทำก็ไม่ต้องทำสิมันก็พากันเที่ยวสิปุจฉาแล้วปุกรับชุนนักหนี่รูปภาษาคนไหมครับวิสัชนามันรู้แต่มันก็พูดไม่ได้เท่านั้นแหละแต่พูดในใจมันพูดรู้น่ะ ถ้ามองตามันจิตใครมีธรรมมันก็เข้ามาหามันนอนด้วยถ้าจิตใครไม่มีเมตตามันไม่เข้ามารอกมันกลัวมันมองตามันรู้นะมันรู้สายตานะปุจฉาผู้ปลุกรับทราบได้อย่างไรครับว่าแม่ยายรัชกาลที่หกรัชชนะเป็นพุทธมารดาวิสัชนาท่านพูดให้ฟัง ท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรีกิมไลสุจริตกุลมารดาของพระจริญสุดาและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สีรัชกาลที่หท่านใส่บาตรมากๆกด้วยจะเป็นพุทธมารดาข้างหน้าท่านสร้างทานบารมีเรื่อยไปอติชาหลวงปู่สร้างบารมีมานานแค่ไหนแล้วครับ วิสัชนาสร้างมาตั้งแต่อเนกชาติแล้วมาตอนปถมสังขยานาแล้วยังไปไม่ได้ยังไม่เข้ารบ ก, กุฎระปุจฉาตอนปถมสังคยานาหลวงปู่ช่วยทำอะไรครับวิสัชนาก็ได้ทำบุญตักบาทรับใช้คณะสงฆ์ผสมสังคยานาขณะนั้นยังเป็นชาวนาชาวไร่ พอพระพุทธเจ้าครบ8ปสิปีแล้วนิพพานแล้วเผ่าแล้วพระอนุนบรรลุธรรมแล้วก็เข้าประมทมสังขยนาพระห้าร้อองค์พระอนุนเข้าด้วยพระเจ้าอาชาิัตรูท่านเป็นหัวหน้าสร้างเสนาชนะส8ปดตำบนนะที่โรงทานของพระห้ารูอรูปต้องชนะ่านก็มาช่วยกันปุดชาน้องปุกครับ ปฏิบัติสิ้นทุกข์โดยเร็วทำอย่างไรครับวิจัชนาก็รู้ทุกข์แล้วโยนน้ำเสียก็แล้วกันก็สิ้นทุกข์ไป